กราบขออกาสหลวงพ่อกลมกราบขอโกาสพระอาจารย์ทุงศิลพระอาจารย์สุรินแล้วก็เพื่อนสาธรมิกก็เจริญพรมาพวกเราเนาะแม่ชีแล้วก็ญาติโยม <c oughs> ก็วันนี้ก็พระอาจารย์สุรินก็พาสวดธรรมจักรกปวัฒนสูตรก็เป็นเรียกว่าเป็น เป็นธรรมสําคัญธรรมะที่พระเจ้าได้ให้ก็เป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นธรรมะที่เอาไว้ปฏิบัติต ร, ตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ธรรมจักกับปัฏ น, นาสูตรได้เริ่มต้นขึ้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากการปฏิบัติตัวเนาะปฏิบัติตัวง่ายๆ อย่างพุทธเจ้าก็เทียบเนาะการที่เคยอยู่ด้วยกันกับปัญจวัคคีมาเนาะการที่แบบว่าอา้าก็เราก็มานั่งทรมานตัวเองกันหลายปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรือว่าการที่พระพุทธเจ้าก็เทียบกับตัวเองว่าตัวเองก็เคยเสวยสุขอยู่ในวังเนาะก็นั่นก็เป็นความสุขอย่างที่สุดอีกทางหนึ่งก็ ก็เรียกว่าทรมานตนให้ลําบากอย่างที่สุดทั้งสองอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราลองดูกันว่าพวกเราได้ทําอย่างนี้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ย น, นะอะเพราะนั้นนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดาการที่เราจะแบบเรียกว่าเรียกว่าการกินอยู่หลับนอนเนาะอย่างปกติการพูดจาการทําการงานอะไรต่างๆนานานเหล่านี้เนี่ย อย่างที่เป็นปกติไม่เบียดเบียนตัวเองเนี่ยพวกเราทำกันหรือเปล่าพระเจ้าก็บอกอย่างนั้นนั่นนึงคือตรงนี้เนี่ยพอคำพูดอย่างนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสะดุดหูเนาะสะดุดหูจริงๆแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกก็คือเป็นเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจาวันนี่เพียงแต่ว่าเรื่องธรรมดาในชีวิตประจาวันเนี่ยเราทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปกติหรือไม่ ถ้าเราทำให้มันเป็นปกติเนี่ยความทุกข์ก็ไม่น่าเกิดเนาะเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองก็ได้อธิบายเนาะเปิดฉากให้ปัญจวัคคีฟังตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่โอ้สะดุดหูเนาะหรือก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ปัญจวัคคีเนี่ยได้ฟังต่อซึ่งตรงนี้เองพระเจ้าเองก็ได้เรียกว่าได้ บรรยายเนาะได้บรรยายต่อเนาะถึงสิ่งที่เป็นหัวใจเนาะก็คือแล้วพวกเราเนี่ยได้มองเห็นไหมว่าทุกเนะใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนกันซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้มองอย่างที่พระเจ้ามองเนี่ยทุก็อยู่ที่เรื่องแบบว่าเป็นเพราะเหตุนอกตัวท่างนั้นอยู่กับหมากับแมวเนาะอยู่กับดินฟ้าอากาศพอแดดร้อนไปฝนตกไปตรงนั้นทั้งหมดเนาะ ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์แต่จริงๆแล้วพระเจเองก็บอกว่าทุกข์ทั้งหมดนะ่ะมันมีอยู่แค่ทุกข์ที่กายเรากับทุกข์ที่ใจเราเท่านั้นเองมีทุกข์อยู่ที่กตัวเราเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมาจากกายเราหรือว่าทุกข์ที่มาจากสิ่งที่เราเรียกว่าเราหวังผิดๆเนาะอย่างนั้นตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าโอ๋อนี่ทุกข์มันมีอยู่แค่นี้ นั่นนัคือตรงนี้เนี่ยสิ่งที่พระเจ้าได้ทําให้เห็นเนาะได้บรรยายให้ดูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นการสรุปรวมเนาะสรุปรวมเรื่องราวของผู้คนเนี่ยในคําสั้นๆเท่านั้นเองตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบอืมมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นตรงนั้นนี่พระเจ้าเองก็ไม่ได้ชี้ให้ดูว่าทุกมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองแต่ว่าพระเจ้าก็ได้ชี้ต่อไปบอกว่าได้เห็นไหมว่า เหตุให้เกิดทุกข์มันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยพระเจ้าก็ชี้ลงไปซึ่งตรงนี้เองหลวงพ่อเทียนนะก็ระบุไปเลยว่าทุกข์อ่ะเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยอยู่ที่ตรงความคิดนี่แหละตรงนี้ละ่ะซึ่งอันนี้นะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการนํามาซึ่งการปฏิบัติในทางสายเราในทางสายเล่าสายของหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะไหมก็ในการปฏิบัติเนี่ยก็ตรงไปสู่การกําจัดเหตุให้เกิดทุกข์ตรงนี้เลย นั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเนาะเหตุเกิดที่ตรงไหนเนี่ยเนาะก็ดับที่ตรงเหตุนั้นเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าทุกเนาะอยู่ที่ความคิดเนาะการที่เราเข้าไปกำจัดต้นเหตุเนาะก็คือไปจัดการกับความคิดเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นการปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยได้ย่อเนาะ เอาประสบการณ์ของหลวงพ่อเทียนเนี่ยมาให้เราเนี่ยปฏิบัติกันเพราะว่าในขณะที่พวกเราแบบว่ารู้สึกตัวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าเอาใจเนี่ยที่ไปผูกพันอยู่กับคำคิดเนี่ยก็กลับมารู้สึกตัวณขณะจิตนั้นเนี่ยใจเมื่อกลับมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยจิต ไปก็เรียกว่าไปเกาะเกี่ยวของความคิดก็ดับลงเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่เรียกว่าเป็นการละจากความคิดมาแล้วก็ทําให้ความคิดเนาะก็ดับลงไปโดยที่ไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่าการที่เราเอาสติเนี่ยคอยเนาะก็เรียกว่าคอยรู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวเท่านั้นเองนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า ในขณะที่จิตที่ทุกข์อยู่กับความคิดเนี่ยดับลงเนี่ยเราเห็นตรงนั้นหรือเปล่าเนาะจังหวะที่จิตเนาะไม่ได้เป็นทุกข์เนาะอยู่กับความคิดแล้วก็จิตเป็นปกติที่อยู่กับตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นตรงนั้นหรือเปล่าตรงเนี้ยที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้คือแบบว่านิโรธเนาะคือจังหวะที่จิตเนี่ยเป็นปกติ แต่ว่าจิตที่เป็นปกติตรงนี้เนี่ยเกิดมาจากการกระทําอะไรยังไงตรงนี้ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อคาเขียนบอกว่านี่คือความรู้สึกตัวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมักแล้วแค่ความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นมักแล้วมักที่หลวงพ่อคําเขียนได้พูดเอาไว้ตรงนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิริยาเป็นการกระทําแต่ทํานองเดียวกันกิริยาหรือการกระทําตรงนี้เนี่ยมักก็มีความหมายอีกอันหนึ่ง ก็มักก็มีความหมายในทางก็เรียกว่าเป็นเส้นทางเนาะเป็นเส้นทางก็เป็นเหมือนกันในขณะที่เขาเรียกว่าเรากําลังเดินทางคําว่ากําลังเดินทางก็คือกําลังปฏิบัติเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าบอกเอาไว้ก็คือความไม่ทุกข์ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าในขณะที่เรากําลังรู้สึกตัวอยู่นี่เราก็กําลังเดินอยู่ เพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเป็นทางที่เรียกว่าเป็นทางที่พระเจ้าเนี่ยได้กลุ่ยเอาไว้เมื่อก่อนทางเนี่ยที่เราเขาเรียกว่าวนๆวิ่นๆอยู่กับทุกข์กับสุขก็ดีเนาะกับการสวยสุขบ้างกับการทรมานตนให้ลําบากบ้างตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้และทางตรงนี้ก็เป็นทางที่ลบเราก็มองเห็นไม่ชัดเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยการที่ เราเดินอยู่บนเส้นทางที่เรามองเห็นไม่ชัดเนี่ยมันกน็วกไปวนมาวกไปวนมาตรงนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นทางที่เราเรียกว่ามันมันเป็นวัตตะเนาะมันเป็นวัตตะที่น่าสงสารมากเลยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเดินบนกันหาทางออกไม่ได้แต่พระเจ้าเนี่ยกลุยทางให้ใหม่เป็นทางที่เรียกว่าเป็นเส้นตรงที่มีการเริ่มต้นแล้วก็มีการจบลงการที่ เป็นเส้นตรงมีทางเริ่มมีการเริ่มต้นและมีการจบลงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเนาะเมื่อหันหลังให้ทุกเนี่ยเราก็จะมองเห็นทางไม่ทุกเนี่ยจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้าเรานั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยการที่เราจะเดินเนี่ยเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไม่ทุกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าแจมแจ้งเนาะเป็นสิ่งที่แจมแจ้งมากๆเลยเนาะการเดินบนเส้นทางนี้เนี่ยเราจะเดิน ย, ยังไงกันก็ ทางหลวงพเทียนหลวงพ่อำเขียนเองก็บอกว่าก็อยู่กับความรู้สึกตัวของเราอยู่กับสติที่คอยกากับเราเพราะว่าเนื่องจากว่าชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตมาเราก็อยู่กับความอยากเนาะก็เรียกว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากทำนั่นอยากทำนี่เนาะคือไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนไม่ว่าจะทำอะไรยังไงก็ตามเนี่ยพวกเราสังเกตกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่า เราถูกความอยากเนี่ยนำหน้ามาตลอดตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าลุงพ่อกำเขียนเนี่ยก็สรุปกับการปฏิบัติอันหนึ่งเนาะอย่าลุกถ้าอยากลุกอย่านั่งถ้าอยากนั่งตรงเนี้ยก็ทั้งการลุกการนั่งเนี่ยถ้าพวกเรานึกถึงชีวิตของเรานะความอยากก็นำอีกลุกเนาะก็ลุกเพราะอยากลุกนั่งก็นั่งเพราะอยากนั่ง ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนบอกเอาไว้นะบอกว่าเราเนี่ยเคยไหมสมควรลุกก็ลุกสมควรนั่งก็นั่งตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราอย่าให้ความอยากเนี่ยนำชีวิตเราให้ความสมควรเนาะให้ความรู้สึกตัวความสํารุมระวังตรงนี้เป็นสิ่งที่บอกแล้วว่ากายเนี่ยสมควรจะนั่งก็นั่งเนาะถ้าหากว่ากายนี้สมควรจะลุกก็ลุก ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ความอยากเนียเป็นเรื่องของใจเนาะความสมควรเนี่ยเป็นเรื่องของกายตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นการเปิดเนาะเปิดมิติให้เราเนี่ยได้ค่อยๆแยกยะชีวิตของเราเนี่ยออกมาอย่าให้มันเป็นเรื่องที่ปะปนกันระหว่างเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของใจความจำเป็นของกายก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ความอยากที่เป็นเรื่องของใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่ควรทำตามเพราะว่าเนื่องจากว่าความอยากเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของกิเลสแต่ความสมควรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สมควรที่เราจะเกี่ยวข้องกับกายกับใจนี้ตามสมควรนั่นก็คือตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเนี่ยแบบเจริญสติกันเนาะผ่านการเคลื่อนไหวเนาะเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยก็เอาสติเนี่ยเนาะมาคอยรับรู้ความเคลื่อนไหวตรงนั้นในขณะที่ สติคอยดูกายเคลื่อนไหวสติก็คอยดูใจที่คิดนึกไปด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อใจเนี่ยมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวเนาะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นปกติแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ใจเผลอไปคิดนึกตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ใจก็จะไปตกทุกข์นั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยสติก็จะทำหน้าที่ทั้งการที่มาดูกายที่เคลื่อนไหว แล้วก็คอยดูใจที่คิดนึกในขณะที่สติเห็นใจที่คิดนึกสติก็ทำงานแล้วในขณะที่สติเห็นกายที่เคลื่อนไหวสติก็ทำงานแล้วตรงนี้เนี่ยทำให้ก็เรียกว่าการเจริญสติในทางของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นไปเนาะทั้งเรื่องของกายที่เคลื่อนไหวเป็นไปทั้งในขณะที่ใจเนี่ยเผลอไปคิดนึกเพราะนั้นคือตรงนี้หลวงพ่อคาเขียนก็บอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูก เพราะว่าไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องของความถูกเผลอไปคิดนึกเป็นเรื่องของความผิดตัวนั้นเป็นเรื่องของทางลกโลกนะมีผิดมีถูกกันแต่ว่าทางหลวงพ่อมเขียนเนี่ยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเมื่อสติรู้ความเคลื่อนไหวสติก็ทํางานแล้วสติรู้ใจคิดนึกสติก็ทํางานแล้วก็ก็เรียกว่าสติก็ทํางานทั้งสองทั้งสองส่วน ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยในขณะที่พวกเรากําลังปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยพวกเราได้เคยสังเกตรหรือเปล่าว่าบางทีนิสัยทางโลกโลกของเราเนี่ยที่เคยก็เรียกว่าคุ้นเคยกันมาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้เผลอเนาะก็เรียกว่าเผลอคิดเนาะพอใจกับการที่เรารู้สึกตัวและทํานองเดียวกันเราก็เผลอเสียใจกับการที่เราเนี่ยหลงไปคิด นั่นนัคือตรงนั้นเป็นเรื่องของก็เรียกว่าเป็นเรื่องนิสัยเก่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเหมือนกับก็เรียกว่าติดเนาะติดเคยชินการติดการเคยชินอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถก้าวต่อไปบนเส้นทางของการปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยในขณะที่เราติดของเก่าเราก็ไม่รู้สึกตัวเราหลงไป นั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยการก้าวเดินบนเส้นทางเนี่ยหลวงพ่มอมเขียนบอกว่าความเพียรที่ถูกทางเป็นเพียงแค่กลับมารู้สึกตัวก็เป็นความเพียรที่ถูกทางแล้วความเพียรตรงนี้หมายถึงยังไงหมายถึงความเพียรที่เราจะก้าวเดินต่อไปถึ ง, ถ ง, จ, ถงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจุดที่ไม่ทุกนั่นั่นคือตรงนี้ว่าบนเส้นทางตรงๆงเนี่ยที่เรากาลังเดินกันอยู่เนี่ย พวกเราเนี่ยพาตัวเองติดอะไรบ้างเนาะอย่างนั้นวันก่อนอพระจันรศรินก็ได้ได้แบบว่าได้บรรยายทำเนาะถึงเรื่องการติดอารมณ์เนาะการที่เราบางทีเพียงแค่เนาะบอกว่าแบบว่าติดที่จะคิดอะไรอยู่เนาะกลับไปกลับมาไม่รู้จักมางไม่รู้จักปล่อยทําเสร็จไปแล้วก็ไม่รู้จักเอเขาเรียกว่าไม่รู้จักที่จะเขาเรียกว่า ปล่อยปล่อยเข้าไปเหมือนอย่างที่พระเจ้าจรินทร์ก็ได้พูดถึงแบบบางทีแบบการบรรยายธทำเนี่ยก็บรรยายเสร็จไปแล้วเนาะแต่ก็เป็นทั่งคิดเลาวคิดถึงมาเอ๊ะเราน่าจะควรพูดอย่างนั้นเราน่าจะควรพูดอย่างนี้เนาะตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่านั่นเป็นตัวอย่างอันนึงที่เราเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าในขณะที่เรากําลังทําอะไรอยู่อย่างหนึ่งเกิดความพอใจไม่พอใจ แล้วก็ความที่พอใจไม่พอใจนั้นก็ติดอยู่ในความคิดของเราหมกมุ่นคุ้นคิดนะแบบว่าอยากที่จะแก้ไขบ้างอยากที่จะพัฒนาบ้างตรงนั้นเป็นเรื่องของการติดพอเราติดนั่นหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าจิตเราไปก็ไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องใดหรือเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีจิตเนี่ยก็พระจันสุลินก็บอกว่าบางทีก็ติดกันเป็นเดือนเป็นปีนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยพอเราติดเนี่ย มันก็หมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ละความคิดไม่ได้ละต้นเหตุของความทุกข์เพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยการเดินบนเส้นทางที่เรียกว่ามร์เนี่ยก็สะดุดลงใช่หเพราะว่าเราคิดผิดทางที่เราควรจะต้องคิดกันคืออะไรก็คือคิดว่าทำยังไงเราถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าการเดินบนเส้นทางที่ เป็นเส้นทางที่จะทําให้เราไปถึงจุดที่ไม่ทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเราเพียนเนาะเพียรอย่างพเพอเหมาะพอดีเนาะไม่ไปติดไม่ไปคล่องแวะกับเรื่องราวที่ไม่สมควรเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเดินบนเส้นทางนั้นไปอย่างราบลื่นแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างก็เรียกว่าอย่างไม่ต้องลําบากลำบนไม่ต้องทุกอะไรบนเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่เหมือนกับ เมื่อเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่จะไม่ทุกเนี่ยกระบวนการที่จะไปถึงก็ต้องไม่ทุกเหมือนกันบางทีหลวงพ่อมเขียนก็จะพูดเนาะพูดบอกว่าพวกเราเนี่ยอย่ารีดตัวเองมากเกินไปอย่ารีดตัวเองมากเกินไปก็คือการที่เราเหมือนกับพยายามจนเกินไปความพยายามที่พอเหมาะก็คือความพยายามที่พอเหมาะเนาะเป็นความเพียรที่พระเจ้าบอกเอาไว้แต่ความพยายามมากเกินไปเนี่ย ก็คือการที่เราไปเพิ่มทุกข์ให้กับให้กับจิตจัะไปให้กับจิตใจเราไปกดดันเนาะก็เรียกว่ากดดันจิตใจเราไปกดดันเมื่อจิตใจเราถูกกดดันร่างกายเราก็ถูกกดดันไปด้วยตรงนี้เนี่ยหนงพระเทียนก็ใช้คําว่าเพ่งจ้องเนาะเพ่งจ้องตรงนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราแบบว่าได้ทําแบบนั้นหรือเปล่าในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเนาะการวางกายคลายการวางใจงกลางเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เป็นคําง่ายๆเนาะเป็นคําคล้องจองง่ายๆที่พวกเราเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าจำกันได้เนาะแต่ในขณะจำได้เนี่ยสิ่งที่อยู่ในความจำก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันไม่เที่ยงเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยสติเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือหรือดวงตาเนี่ยทให้เห็นธรรมเนาะที่เกิดขึ้นในกาย ทำให้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจตาที่เรามีเนี่ยเป็นตาที่เรามองออกไปรอบๆตัวตรงนั้นก็เป็นธรรมชาติรอบๆตัวแต่ว่าตาที่เอาไว้เห็นธรรมในตัวเราเนี่ยก็คือสตินั่นนัก็คือดวงตาที่เอาไว้เห็นธรรมก็คือตัวสติตัวนี้ถ้าสติทำงานเราก็จะเห็นธรรมในตัวเรา คำว่าดวงตาเห็นธรรมก็เป็นทั้งคำนามที่เป็นคำว่าสติหรือว่าเมื่อมีสติก็นั่นหมายถึงว่าเรามีกิริยาเห็นความเป็นไปในกายเราในใจเรานั่นนั่นคือบางทีเนี่ยเราอาจจะพบว่ามีคำสวดเนาะที่บอกว่ากายในกายใจในใจตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก็เหมือนตัวเรานะมีกายอยู่เนาะการอิ่มการหิวนะ การปวดท้องปวดหัวเนาะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในกายเราเนาะเอาไว้ให้สติเนี่ยได้เห็นเนาะอย่างนั้นหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราใจเราก็เป็นปกติเนาะแต่เดี๋ยวเราก็เกิดเนาะเขาเรียกว่าเกิดความพอใจไ ม, ไม่พอใจเกิดความผิดเกิดความถูกเกิดการเอาเหตุเกิดการ เ, เอาผลในงต า, านาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจนั่น น, นั่นคือตรงนี้การที่เราฝึกเนาะฝึกใช้สติเนี่ยก็คือฝึกดูความเป็นไปของกายเราแล้วก็ฝึกดูความเป็นไปของใจเราความเป็นไปของใจเราก็เป็นเรื่องของใจในใจความเป็นไปของกายเราก็เป็นเรื่องของกายในกายนั่นน <t> ั่นคือตรงนี้เนี่ยเราฝึกสติเพื่อเป็นอย่างนี้เพื่อทําอย่างนี้เท่านั้นถ้ า, ากว่าเราทําอย่างนี้นะไปเรื่อยๆเนี่ย หลพ่อเขียนก็บอกว่าเราทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะทำอย่างชำนาญเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราเองก็จะมีข้อมูลที่มากขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องเพียนให้มันทุกอะไรมากมายแต่เพียนให้มันพอเหมาะพอดีตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่การกลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งการกลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยก็เรียกว่าหมดเนาะ ห, หมดปัญหาทุกๆุกอย่าง ก็อาจา ร, รย์กมพลเคยบรรยายบรรยายธรรมกับกลุ่มกัลยาณธรรมเนาะอยู่ครั้งหนึ่งอาจา ร, รย์กมพลก็พูดถึงเรื่องความสงสัยเรื่องความสงสัยซึ่งความสงสัยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลายๆคนก็ได้บอกไว้อย่างหลวงพ่อชาเองเนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องความสงสัยเนาะ ก็หลวงพ่ชาก็พูดว่าใครเป็นผู้สงสัยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สะดุดหูนะสมัยก่อนนี่ก็เคยฟังเทปเนาะฟังเทปหลวงพ่อหลวงพ่อชาใครเป็นผู้สงสัย <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่คําว่าใครของของหลวงพ่ชาที่ใช้ก็เป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าณวันนั้นก็สะดุดหูตัวเองมากๆเลยเนาะก็ทําให้เราเนี่ยก็ได้กลับมาดูว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ความสงสัยตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนกันมันเกิดขึ้นจากอะไรกันเนี่ยปรากฏ ว, ว่าตรงนี้ก็จิตนะเนาะหลวงพชาก็เฉลยไว้ว่าจิตน่ยมันเป็นผู้สงสัยนะหลวงพ่อเขียนเองก็บอกบอกว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะต้องเป็นจำเลยของความสงสัยไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเนี่ยเราได้สังเกตดูเนาะว่าในขณะที่เราสงสัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความติดข้องนะมันเป็นเรื่องของการหยุดเนาะ มันเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยเดินต่อไปไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยถ้าว่าพวกเราสงสัยเมื่อไหร่สิ่งที่เราต้องทำก็คือไงหาคำตอบเนาะการหาคำตอบเนี่ยเป็นยันงไงหลวงพ่อเขียนก็บอกบอกว่าพวกเราเนี่ยหาคำตอบจากความคิดกันหรือเปล่าเนาะอย่างเนี้ยเนาะพวกเราเนี่ยก็คิดเอาทุกอย่างก็คิดเอาหาคำตอบจากความคิดอันตันนานาเหล่านี้เสียเวลากับเรื่องพวกนี้เนี่ย เสียเวลากับเรื่องไม่จริงแบบนี้เนี่ยคำว่าเสียเวลาก็คือการที่เราหยุดแล้วก็ไม่ได้เดินต่อการที่เราติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถก้าวไปถึงจุดที่เป็นจุดหมายปลายทางของความไม่ถูกที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้ให้นั่นคือตรงเนี้ยนะพวกเราได้สังเกตดูสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยก็คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยติดกันอยู่เนาะ เราอาจจะติดอยู่มุมนั้นบ้างติดอยู่มุมนี้บ้างติดอยู่กับความคิดบ้างติดอยู่กับเขาเรียกว่าเรื่องราวต่างๆที่เรามองออกไปนอกตัวบ้างเยอะไปหมดเลยแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยต้นเหตุก็คือเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความคิดเพราะนันนั่นคือตรงที่หลวงพ่อเทียนบอกอาไว้บอกว่าในขณะที่เราเนาะหัดเนาะเจริญสติกันในขณะที่เรากำลังรู้สึกตัวอยู่เนี่ย รู้สึกตัวอยู่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราเผลอไปคิดเนี่ยก็กลับมารู้สึกตัวใหม่ในขณะที่เรา we, รู้สึกได้ว่าเราเผลอไปคิดเนี่ยก็กลับมารู้สึกตัวใหม่ความรู้สึกตัวตรงเนี้เป็นความเท yup. ี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยหลวงพ่อคำแก่นึงได้ย้ำเนาะบอกว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนการกลับมารู้สึกตัวนี้ก็คือการที่เรากลับมามีสติใหม่อีกครั้งหนึ่งชีวิตของเราเนี่ย ที่พวกเราตามเนาะเขเรียกว่าตามความอยากมาตั้งแต่เล็กเนาะอยากกินขนมอยากกินข้าวอยากไปเที่ยวอยากดูหนังอยากดูละครอยากฟังเพลงอยากนู่นอยากนี่กันเนี่ยพวกเราได้สังเกตหรือเปล่าว่าความอยากที่นําหน้าเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยเดินตามตัณหาในขณะที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าถ้าหากว่าพวกเราเนาะกลับมามีสติใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเนาะทำตามสมควรเนี่ย พวกเราก็จะเห็นว่ามันมีสตินำหน้าเราจะกินข้าวก็ดีเนาะจะทําอะไรยังไงก็ดีเนี่ยถ้ า, าว่าเรามีธรรมนาหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยชีวิตเราก็จะปลอดภยัยถต่าาว่าพวกเราพูดกันง่ายๆเนาะชีวิตที่นําด้วยตัณหาหรือชีวิตที่นําด้วยธรรมเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันนั่นนั่นคือตัณหาเนี่ยก็จะพาเราออกนอกลู่นอกทางแต่ว่าหากว่าพวกเราเนี่ยมีธรรมนาหน้าเนาะ ตรงนี้เนี่ยพวกเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้ว่าธรรมเนี่ยที่เป็นแม่ของธรรมทั้งปวงเนี่ยก็คือตัวสตินั่นก็คือเพียงเราจเจริญสติอย่างเดียวเนาะให้สติเนี่ยคุ้มครองกายคุ้มครองใจเราเนี่ยเราก็จะมี <c oughs> เาเรียกว่ามีธรรมที่สำคัญที่สุดเนี่ยนำชีวิตเรา แล้วก็ตรงนี้การเจริญสติของพวกเราเนี่ยที่พวกเรากำลังเคลื่อนไหวไปมากันอยู่ตามแนวของนมประเทียนเนี่ยก็ขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของพวกเราเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการทำที่สุดของพวกเราด้วยกันทุกคนทุกท่านก็กลับพระพร้อมกัน